วันนี้เป็นวันอีสาขมาศเดือนสามเพลนเราเคยทํำงั้นมาทุกปีทุกปีอิสาขะแล้วก็ถึงเดือนหกจะอิสามาขมาศเดือนสามเพลนเรียกมาขมาศเดือนหกเพลกเรียวอีสาขมาศเคยทํำมาทุกปี แล้วก็มีวันันสั้นหาอีกทีหนึ่งคือเขากันษาก่อนเขาพรรษาวันหนึ่งทั้งสามการสาเวลาที่เราบูชานั้นก็บูชาถึงขุนพระธรรมประสงน์สมทั้งสามอย่างทั้งดยกันทั้งนั้น วันอวันในที่ท่านพูดถึงเรื่องมาคะแรีวว่าจตุรงคสนนิบาทรวมวมอม้อกพูดธประจัปรเมื่อกันนันวันวิสาขคือวันตัศรุวันประสูติวันประสินธิพานกับวันเดียวกันนั้นกล่าวท่านก็พูดทห้เจ้า โดยเฉพาะแต่ก็กล่าวถึงพระพุทธประมประสงค์เมื่อกันเหตุ น, นัในในจินีอย่งมาได้พูดถึงเรื่องมาธรรมาตในพิสาธรรมาจันทาบูชาจะพูดถึงต้นต่อของเหตุเป็นมาทั้งสามการนั้นคือว่ากล่าวถึง เหตุที่ให้เกิดในสามการนั่นพุทโธธโมสังโฆจาตินานาคหตัมปีวัตถุโตอัญญะมัญญาวิโยขาวะเอกีภูตัมปนัตถโต บุโทโธธรรมัสัพโบเทตาธโมจกสังเคททาทาตธาตโศสังคโฆอุธตสัติเจตังราสนนัตติยังเรียกว่าพ ร, รารตะนาไนพระูุที่เจ้าระทมพระสงพูดโดยอาการโดยวัตถุ เป็นแต่ละอย่างด้วพระพุทธเจ้าแด้ตรัสรู้ได้แก่ปชิตธาตลาภแะกุมารความเพียรแะมีจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ า, ร า, า, มมาพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าคององือทร เ, เทศนาไว้พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตาม รู้จริงเห็นจริงตาผู้ใจจเรียกว่าพระสองอันนี้เป็นส่วนวัตถุคือเป็นบุคคลและเป็น น, าานักอันไปแยกเป็นส่วนๆออกไปแต่ว่าพูดโดยสรุปโดยอัดโดยเนื้อความแล้วอันเดียวกันผู้ใเจ้า จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะได้ดับสรูร้กธรรมพระสงจะเป็นองสาวอกของพระองค์ก็ปฏิบัติต่างพระธรรมตกลงว่าพระธรรมเป็นใหญ่กวัวพระพุทธกว่าพระสงฆ์ เ, เกี่ยวเนื่องทั้งเรื่อง เรื่การเล่นกั น, กนอันนี้เนื้อความโดยเฉพาะถ้าจะขยายเนื้อความจะจับหลักให้ดีนั่นแหละจําหลัลกเบื้องต้นให้ดีคือพระพุะทธและธรรมประสงค์จับหลักให้ดีตอนนี้แหละพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอิติพิสโสปะขาวา เราหังสมาพุธโธมีคุณอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าอิตติปิโสด้วยประการอย่างนี้พระขาวาท่านเป็นผู้มีส่วนมีส่วนอะไรพระพุทธเจ้าองค์นิตตรโสโลกมีส่วนอันหนึ่งซึ่งจะเป็นผู้ได้รับเป็นสมั ญ, ญาของพระพุทธเจ้า มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันได้ตัดรู้แล้วก็เป็นพุานผูเจ้าองค์หนึ่งเรียกว่าได้ส่วนได้รับมวลบุญ ม, มดกอาไนั่นเองจึงเรียกว่ามีส่วนอรหังสมาอรหังก็แปลว่าพุทธไลจากกิเลสสมากับพุทโธตัดสู้เองชอบ วิชาจรณาสัมปโนชาคือวิชาสามวิชาแปดวิชาสามคือเพนิวาสนุสติยานก็ดูชาทอนหลังได้ก็ดูาัญญาเห็นความเกิดความดับของสัตว์ทั้งหลายเกิดเริ่มดับไปดับจะไปเกิดที่นั่นที่นั้น เยาวตุปปาจา ย, ยานอาสวรทยายานรู้ซึ่งอาสวรไขยคือธรรมจิตของโวกมันพองใสสะอาดหมดจดบริสุทธิจ์จนได้สำเด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยาวิชาสามจรณะ15มีสินเป็นตนอันี้เรียกวจรณะญาติมหาวิชาเจนาตัมปโน สุขะโตไปดีแล้วคำว่าไปดีนั่นเสด็จไปที่ใดดีทั้งหมดโปรดสัตว์ในที่ต่างๆไม่ได้อิจฉาเบียดเบียนใครๆนั้นประกอบด้วยคุณประโยชน์อนิ่งเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั่วไปหมดอันนั้นในวิชาไอ้เรียกว่าสุขะโตสุขะโตอีกในหนึ่ง แปลว่าพูดพูไปดีแล้วคือพระองค์เสด็จสู่นิพพานนีกว่าไปดีสสดุดเสด็จมาสู่โลกนี้ก็เรียกว่ามาดีไปนิพพานก็เรียกว่าไปดีโลกกวีทูลูแจงโลกทั้งสาม คือมนุษย์สโลกพูด ง, ง่ายๆที่ว่ากามโลกที่ประกอบด้วยรูปเสียงกินรสเลี้ยว่ากามโลกโลูกประโลกในกาลูปหกหกลูปประโลกในกา 6. ลูปหกหกลูหมดทั้งสามโลกพธ่อองกินพ้นจากโลก ท่านไม่รู้ทั้งสามโลกนี้ก็ไม่พ้นจากโลกติดค้องในโลกทั้งสามนี้อนุตตรโขานี่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นคุณยศาธรรมสาธิธาเทียมสตถาเทียมตานังวุฏโทกว่าอนุตตรโขไป่าผู้ยิ่งใหญ่หาผู้เปรียบเทียบไม่ได้ ปริสาธรรมสาเทถะสัทธาเทมอณานั์ใหญ่กว่ามนุษย์เท่าบุตรเอลดาอินรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสารเทียนเอกคือฝึกหัดคนให้ไปสู่สุขติไปสู่ที่ดียิ่งกว่าสารทีฝึกหัดสัตว์ทั้งหลายที่ให้ใช้การงานได้ ฝึกหัดมนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้ละความชั่วอันนี้เรียกว่าฝึกหัดโลเป็นอย่างยิ่งยิ่งกว่ามนุษย์ชาวโลกทั้งหลายฝึกหัดเป็นสารทีรเด็กพุโทโธเป็นผู้เบิกบานพระว่าตอนนี้เป็นผู้จําแนกแกียกใจ อากมาเท่าไหให้กลัวขวงวงอันนี้เรียกว่าพ้พทธ่เจ้าค้านี้้เอเมื่อเราปฏิบัติแการนี้น้องเข้ามาตัวของเราคารานี้อย่าไปเอาคำพูดของท่นที่ท่านว่าอะไรนั้น เ, เป็นเรื่องของท่านน้องเข้ามาทางปฏิบัติ ถ้าขวาว่าเป็นผู้มีส่วนเรามีส่วนไหมมีส่วนเด็กตัะดูอย่าวพุทธเจ้าไหมเราปฏิบัติเดี๋ยวนี้เรามีส่วนใดหรือยังอย่างน้อยที่สุดเราปฏิบัติถึงธรรมะคำสองพุทธเจ้าสงบจิตสงบใจ รักษากายว่าจ่าใจให้บริสุทธิ์ขณะที่เราทำอยู่นีแหละเรียกว่ารักษากายว่าจ่าใจให้บริเป็นผู้มีส่วนเป็นผู้มีส่วนของพระองค์พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้า ก, ก็ปฏิบัตินี้เสียก่อนจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจา้าจะช่วในส่วนของของพระเจา้า เราก็มีส่วนอหนึ่งซึ่งเปพ็พผู้ดีเจ้าพระองศอนนี่ทางนั้นสอนกายวาจายใจของคน ข, ข, ของเรานี่ยั้งนั้นเรามีกายวาจายใจอาจตามพระองค์ฟึ่งหาัตามเบเ ด, ได้ได้ชื่อว่ามีส่วนตามมีส่วนตามพระองค์เหมือนให้น้องเข้ามาตรงนี้ไม่ต้องไปเอาความคาวาของผู้ดีเจ้าเอาความคาของเรานี่เด็ด อารหาหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสเราไกลได้ยัอย่างนี้กิเลสคืออะไรความเช่ามองของจิตใจคำว่าปฏิบัตินี่มันไกลาจากกิเลสไดอย่างเอาง่ายๆเพียงแต่ว่าสินหาเอาง่ายๆเนี่ยเพียงสินหา น, นี่นะั้น เมื่อลรรักษาชินหางดเว้นจากขาดศักรักษาประพฤติผิดไม่จาจา ก, กาก็ของมุธวาเดิมทุราไม่ไรเราค้นแล้วหรื อ, อยังเราไกลาจากกิเลตหรือยังขาดศัก หากว่าเราไม่ขาเห็นสัตว์ก็ยังอยากอยู่ยังอยากเนือหินเอามาเป็นอาหารอยู่คนนั้นยังไม่ได้พ้ยังไม่ไกลจากกิเลสเห็นสัตว์แล้วคิดเบียดเบียนอิจฉาเกิดเมตตาอินทรนั่นแหะไกลจากกิเลสไม่คิดอิจฉาพยายบณาในของจองล้างชองผายคนนั้นแหละไกลจากกิเลส ลักทัพย์ไม่รักขโมยของเขาก็ไกลจากกิเลสแล้วแต่ยังจิตคิดอยากจะได้ของเขาอยู่ยังคิดอยากจะได้ของเขาอยู่ว่านั้นได้ช่วยยังไม่ไกลจากกิเลสกิเลสยังติดตามตัวขงเราอยู่เราค้นแล้วจากกิเลสอันยำหยาบส่วนกิเลสอันละเอียดคือความอยากได้ นั่นเรียกว่าติดตามตัวของเราอยู่หาก็าเราไม่อยากได้ของเขาไม่คิดอยากแค่ได้ไมีจิตใจโอบอ้อมอารีเห็นของเขาเหมือนกับของเราไม่คิดเฉาะมีคิดขโมยมีคิดลักขโมยของเขาเห็นของื่อื่นนะั้นสงสารอินดูว่าเขาอุฒิชาพยายาม หาคำโดยคำมล้วปากปากรำเกิดเนตตายดูตรงสารอนนันไกลจากกิเลสแล้วการนับพืดผิดมิช้าจานไม่พบสู้สู่อนยาได้สามีองคนอื่นอันนั่นก็ไกลจากกิเลสแบบหนแต่ว่าเห็นเขาเขายังรักยังชอบอยู่ นั่นดีพอใจอยู่นั่นมันจิตตามอยู่ภายในแต่ชื่อว่ายังไม่เกลจากที่ของเขาคนอื่นของของคนอื่นน่ะเกิดเมตตาสงสารเอ็นดูเขาเหมือนกับพี่กับน้องเหมือนกับพี่น้องรวมท้องอันเดียวกันในคิดรักคิดใช่ถึงไม้คิดรักก็เหมือนกับรักพี่รักน้องไม่ย่าง ไม่รักอย่างบ่าวสาวรักกันนั้นเรียกว่ า, าใก้จักกิเลสมุสาว่าถึ่เราไม่ปดไม่โกหกแต่เรายังพูดหยาดเรายังพูดหยาบพูดคลายพูดเพื่อเจอเลี้ยวไหเป็นตลกขนองเล่นอยู่นะั้น อันนั้นยังไม่ไกลจากอี่ดีเราพูดสุดซื่อสัตย์สุจริตกลงไปกลงมาเห็นยังไงว่ า, างั้นเข้าใจยังไงพูดอย่างนั้นความจริงใจของเรามีอย่างไรพูดออกไปอย่างนั้นอันนั้นเรียกว่าไกลจากอี่ดีดื่มสุราเมรัย คนเราพอมันมัวเมาอยู่แล้วล่มหลงอยู่แล้วยิ่งไปเพิ่มความหลงเขา อ, อีกอันนั้น้ชื่อว่าไม่ไกลจากกิเลสหากว่าเราไกลจากกิเลสแล้วเราไม่กล้าดื่มเราละเบนใดไม่มัวเมาประมาทอันนี้เรียกว่าไกลจากกิเลส เอาชิ้นห้าเป็นเครื่องวัดไม่ต้องเอาอื่นไกงเอาชิ้นห้าเป็นเครื่องวัดท้าวายใจากกิเลสไม่ไม่เอาของก็ควรเลยเจ้าวัดอยากเอาชิ้นห้าวัดอย่างอธิบายมานี่แล้วยอย า, ากได้ใจกิเลสก็ทําลงไปอย่า ง, อ ย, างอย่างที่ว่านี่ก็แล้วกัน อาาหังห้สมามธิพุทโธตัดทะลุเองเราปฏิบัติตรงไปธรรมะยิ่งปลากรดเกิดขึ้นในใจของตรโดยที่ไม่นึกคิดหากเกิดขึ้นมาด้ดวยสมาธิภาวนาอันนั้นเรียกว่าสมามธิพุทโธของเรา เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจก็เบื่อห้องใสของมันเกิดขึ้นมายังไม่เคยเกิดขึ้นแต่ก่อนความรู้อดา น, นไม่เคยมีอย่างที่เขาพูดกันว่าลงบางอออนนะอออย่างนี้เรอ้อธรรมะเ็นอย่างนี้หรอ้อเห็นอย่างนี้เด้อยังเรียวกว่าธรรมะ ของเฉพาะส่วนตัวมันเรียกว่าสัมาทิฏฐวิชชาจณะสัมปันโนเราก็ปฏิบัติเรีบร้อยสงบสิงเงียมอย่าไปขนองกายขนองวจากจขนองใจคระพุทธเจ้าจนสอนอย่างนั้น ของพระพุทธเจ้าท่านลึกสุขุมมากแต่ของเราเอาเพียงแค่นี้กบพอวิจายณณาจำปนุชุขัโตไปในสถานที่ใดไม่ทะเลาะวิวาทุ่มเทียงซึ่งการเละกกันไปดีไปให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปเรามีแค่นี้แหละ ชุกโตเรามีเพียงแค่นี้แล้วเกิดเอ็นดูสงสารเมตตาปานีแกผู้ับคนที่ขอขึ้นมช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้แหละเม็ดไอชุกโตของเราเขาเพียงแค่นี้ก็พอโล ก, กวีทูเป็นของยากอยู่ที่จะรู้แจ้งถึงโลกทั้งสามเราจะรู้แจ้งได้เพียงว่า โลกวันนี้เป็นทุกข์โลกวันนี้เดือดร้อนแล้วเกิดมาทุกๆคนร้วนจะต้องตายด้วยกันทั้งนั้นให้เพียงเห็นเพียงแค่นี้ก็พอแล้วของที่เ้วเกิดมาต้องตายตายแล้วเอาอะไรไปบ้างไม่มีอะไรเหลือหรอแม้แต่ร่างกายก็เผาทิ้ง เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วรู้แจ้งโลกอย่งนั้นแล้วรักษาใจของตนให้ดีทำใจให้สงบเมื่อใจลงสงบแล้วของนั้นจะไม่มีปากฏแก่ตัวของไม่มีปากฏตรัวเองในที่นั้นลงไปปัจจุบันอนาคตอดีตอ น, อนาคตไม่มี อย่างในขณะนี้แหละถ่าห น, นีจากบ้านจากเรือนมาการงานทุระสนางหวดเรามาอยู่ไปจุดเดียวนี้นะ่ะหมดเลยไม่มีเขาเนี่ยหมดเรือหมดเรื่องเลยให้ลงอย่างนี้จึงเรียกว่าโล ก, กวีทูลูแจงโลกถ้าหากเราโวเมาอยู่ลงติดข้องข้อความนั้นนี่อยู่ <c oughs> ไม่รู้แจงโลกไม่เห็นตามเป็นจริง อันนั้นยังไงยังมาแทนรู้แจ้งถ้ารู้แจ้งแล้วไม่หลงรู้ไม่แจ้งมันนี้ค่อยหลงสิงทะ่วหวงพ่อถ้ารู้แจ้งแล้วเห็นทุกสิ่งทุกส่วนะหมดเรื่องสงสัยมันไม่หมดทันตียังค่อยสงสัยอยู่เนี่มันยังค่อยติบพอ้องข้อผูกพันอันนั้นเรียยังมาแต่รู้ก่อน ไอ้โลกวิทูอันเนี้ยรูแจงโลกไอ้อธิบายวันนี้เอาที่นี้ใชก่อนอธิบายธรรมะยังยังไม่เสร็หมดเรื่องไป้ธรรมประสงยังไม่หมดเรื่องนี่หัวข้ออธิบายที่ว่าต้นตอให้เกิดไอ้ธรรมไว้วันธรรวิจสาค่ะ ก็ดีมาฆาก็ดีอัสสันหาคือเขา้าภาษาวันอสัสาัหาคือวันที่พระพุทธเจ้าเทศนาพอดีมันออกมาจากดีทั้งนั้นเน่ยออกมาจากพระพุทธประทัประสงค์ในทั้งท่านนี่ยอาธิปการนี้เก่อนัอนเราไปตั้งใจบูธิด กายวาจาใจของเรานี่แหละบูชาคุนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาทั้งมดเลยกายวาจาใจมอบไว้มดกายมันจีเจ็บจะป่วยจะเมื่อยอะไรต่างมอบถวายพระพุทธพระพระุทธธรรมสงฆ์วาจาเหมือนกันมันอยากพูดอยากคุยอะไรต่าง มอบถวายพุะพระธธรมประสค์ใจมันคิดนึกอะไรต่างๆปรุงแต่งอะไรต่างๆถวายใช่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังมบูชาหมดเรื่องไม่ใช่ตัวของเราของบูชามดเหมือนกับเราบูชาด อ, อกไม้พระพุทธรูปเราบูชาและวประเด็น เอาคืนมาอีกดอกไม้ที่เอาไปบูชานะคือเด็ดเอาไปจากต้นมาแล้วติดต่ออีกกายวาจาใจของเราก็เหมือนกันเอาบูชาแล้วไม่กังวลเกี่ยวของยังเหลือได้จิตของใสสะอาดจิตนั้นน่ะจะได้เป็นพระพุทธเจ้ากระทําประสงค์อย่างอธิบายให้ฟัง เราเอาพุโทโธเป็นตราหน้าที่พึงนึกพุโทโธในใจเป็นคำบริกรรมเท่านั้นเป็นจุดสาคัญถ้าหาไว้มีพุโทโธมันไม่มีที่ตั้งเราพุโทโธนั้นตั้งจิตไว้ตรงนั้นไม่ออกนอกจากพุโทโธ อันออกนอกออกไปเรียกว่าอาบูชาอาบูชาคุดทันทียให้ตั้งอยู่ในเฉพาะุณโทเท่านั้นจิตอันเดียวเท่านั้นอธิบายฟังถึงเรื่องหลายหลายครั้งหลายข่าวลวจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งจิตนั่นบูชาพราะรัตนตัยเทีย ที่มันคิดมันนึกมันส่งมนซ้ายมันกลุ่มมันแตกเอาไว้ที่ใจนะใจนั่นคือเอามันอยู่ตรงกลางอ่นมันตั้งอยู่ตรงกลางนั่นไม่ได้คิดได้นึกแต่ความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองไม่คิดไม่นึกอะไรเลยเอาตรงนั้นเอาไว้ให้มันอยู่ตรงนั้นเถอะก่อน อยู่เป็นนานเนี่ยไม่แหง่เรู้ตัวมันเองเหรอนานๆเนี่นแหง่เเกิดความรู้ความฉลาดอย่างวนี้มันมันรู้แต่นอกมันไม่รู้ภายในรู้แต่ความคิดมันคิดมันนึกกันเรียกว่ามันปรุงมันแต่งอะเรียกว่าความรู้แต่ความรู้ภายในมันไม่มีคือรู้สึกยุดเฉพาะตัวใจนั้นไม่มี เหตนั้นความรู้มากมันยังค่อยากที่จะรวมมาเป็นหนึ่งลงไปได้ที่มันลวงมากก็นั้นมันติดขั้วพันเกี่ยวข้องในเรื่องขอ ง, งหวงมดไม่ใช่ของสละธรรมะแท้เป็นของสระที่จะสละได้มันต้องหลงไปถึงใจคือตัวกลางคือตัวหนึ่งไอตัว ตัวตัวกลางตัวตวรงปัจจุบัน